บุคคลบางคนในโลกนี้นะไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่านะมไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีนะแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาบู่ยะปู่ยะตายายได้เคยทํามาไม่ได้รักษาศีลเพราะคิดว่ามันเป็นการดีแต่คิดว่าการรักษาศีลเพราะปู่ยะตายายเป็นต้นน่ะกระทากันมาไม่ได้เจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเพราะคิดว่า เป็นการดีแต่คิดว่ามันเป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายทาทำซื้อืบกันมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ควรทำให้เสียประเพณีใครคิดอย่างนี้บ้างเคยคิดไหมเคยจะรักษาวงประเพณีของเราไหมทีนี้เราก็ไม่ควรทำให้เราเขาให้ทารักษาศีลเจริญบูชาให้ข้าวให้น้ำเป็นตรวนี้ ขันตายเนะยบุคคลเพศ น, นี้ตายแล้วจุติเนี่ยปฏิสันทีย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชันยามานนสูงขึ้นไปหน่อยเนี้ยพอสิ้นกรรมสิ้นลทิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาเกิดในในไหนอีกในอบียภูมิและในมนุษย์เป็นต้นอีกตปรอดไหมเนี่ยกลับไม่กลับฉะนั้นมีไหมคนที่รักษาให้ทานและปารบปูาตายาธรรมะจึงต้องทาตามประเภท น, นี้ปู่ยาาย มีไม่มีมีทําไมไม่มีล่ะคนทํากันแย่แย่งไปดีบางคนเนี่ยที่ทนนําตนเองก็ไม่ได้อะไรมากมายนะโอ๊้พ่อแม่ทํามาแเรารัะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำมาเรารักปู่ย่าตายายต้องการจงให้กลัวพ่อแม่จะไม่มีกินกลัวปู่ย่าตายายจะไม่มีกินสอนกันก็ไว้นะอุทิศส่วนกุนกนนะศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอยชื่อกันเป็แถวเป็นแนวใช่ไหมล่ะขอให้ญาตแดงยายดําำยังได้รับผลกุศลที่เขาไปเจ้าทำในครั้งนี้ด้วยเถิดถึงไหมล่ะ ประเพณีไหมเนาะแล้วบอกที่โทรบอกพระอีกท่านอาจารย์อย่าลืมนะยายข้องยอมเนชื่อตาข้องยอมในชื่อบางทีเขียนมาให้ด้วยนะมาก็ดูเชื่ออะไรยอมถามว่ายมมีญาติแค่นี้เองเลยถามมีญาติแค่นี้ใช่ไหมจะบอกว่าเนี่ยก็เท่า เอาให้มากกว่านี้ได้ไหมแกก็ไปนั่งคิดใหญ่จำไม่ได้สิบชื่อบอกมากกว่านี้ได้ไหมก็บอกหมดแล้วหมดยมไม่หมดยังมีอีกท่านรู้ได้ยังไงพุทธเจา้าบอกไว้ใช่ไหมพออาาุทธเจ้าบอกว่าการอุทิศส่วนกุศลให้อุทิศแก่ญาติแต่เราก็ดันไปทิศกระทิศเฉพาะพ่อแม่ปัจจุบันในยุงย่งเลย ถามแล้วญาติเก่าๆเหรเขาเครียดไหมเนี่ยทำไมเจอลูกหลานเรียนธรรมะแบบนี้เนี่ยเรียนอะไรกันทำไมไม่เรียนตามพุทธโอวาทใช่ไหมพุทธโอวาทบอกอีกอย่างก็มาเจาะจงใช่ไหมญาติเราเนี่ยมากมายนะหาประมาณว่ได้แล้วญาติเรานะ้นะี่ะรอเป็นแถวเวยลยรอเป็นแถวก็อดลำบาก บางทีมากันนี่เง้เกิดชาติไดโอนู่ได้จะได้มาเป็นญาติกับคนที่ไม่เข้าใจคําสอนของผู้เจ้าเลยถามว่าจะอดตายไหมอดไม่อดเพราะสิถ้าเป็นญาติแล้วเกิดเป็นญาติหลายชั่วคนนะเขาจําเราไม่ได้เพราะเขาเล่นอุทิศเจรจงแบบเนี้ยใช่ไหมละ่ะมบางทีเขียนติดเลยอ่ะกุบบ้านหลังนี้อุทิศให้นายนางแค่นั้นแหละแล้วยาทีอื่มนมามองก็นั่งเศร้าใจแล้วโอ้โหมันลืมเราเนี่ยลืมเราเนี่ยใช่ไหมละ่ะ ทุกไม่ทุกคนนือเริ่งจริงไหมพระเจ้าให้เอาพระเจ้าพิมพิสารทึ่เป็นอุบาสศกระดับเป็นพ้าดรยาบุคคลเวลาอุทิศส่วนกุศลพระเจ้าพิมพิสารอุทิศยังไงว่าไงขอบุญนี้จงสำเร็จแก่แกได้แ ก, แกยากทั้งหลายของข้าพระเจ้าเธอ ขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้รับส่วนกุศล น, นี้และจงเป็นผู้มีความสุขเถิดใช่ไห ม, ไมเอาแล้วทำไมไม่ตามอริยะสาวกอะนี่ไงก็ไหนเราบอกว่าสังคังสระานาังกรฉามีทําไมไม่ตามท่านอะนี่เราตามใครเอาก็ไหนว่าสรารณาคมแข็งแรงไงเราไม่ตามอะ ตามใครตามใจเราไงตามใจเราถามว่าใจเรานี่คิดผิดได้ไหมถูกได้ไหมน้อยไอยที่ถูก้วน้อยนานๆจะพุกสัทีโดยมากเป็นแบบนี้จริงไหมโอ้ชีวิตนี้นะทีนี้ดูก่อนสารีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทัน โดยคิดว่าปู่ย่าตายายเป็นต้นเลยนะะเคยทามานะให้ทานรักษาศีล น, นะและก็ไม่ได้ทำตามให้เสียไปแต่ให้ทานรักษาศีลเจรเิญภาวนาเพราะนี่ให้ทานเพราะคิดว่าส ม, มณะและพรามทั้งหลายเนะี่ยเราเนี่ยเออที่เราไปให้ทานเนี่ยบางกลุ่มนี้ให้ทานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเออเราหุงกินเกณฑ์เองได้แต่ส ม, มณะพรามนักบวชทั้งหลายท่านไม่ได้หุงกินเออน่าสงสารท่านนะ ท่านไม่มีหม้อไหายอะไรเลยะนะดังนั้นกรณีเนี่ยเราก็ต้องไปรักษาไปรับศีลจากท่านในขณะที่เราได้เอาอาหารไปแล้วใช่ไหมไปถวายท่านที่วัดแล้วว่าท่านให้ศีลก็ต้องรับศีลท่านบอกจเจริญภาวนาสวดมนต์ก็บอกที่เราทําจริงๆแล้วเนี่ยเราขับเน้นที่ตัวทานนะเพราะเรากรุณาเพราะเราสงสารนะนะเพราะเราหุงกินเองได้แต่ท่านไม่หุงกินเองไม่ได้เนี่ย ผ้าวัดนั้นมาไม่ค่อยมีอาหารว่างนั้นคิดอย่างเงี้ยน่าครุณาท่านเอาไปช่วยกันในถวายทานบ้างไปรับศีลกันบ้างอไปเจริญภาวนาบ้างสวดมวนต์อะไรกันเนี่ยมีไหมทำให้ทานแบบนี้มีไหมนัาศาส น, น์คิดอย่างเงี้ยเคยคิดไหมสงสารท่านท่านไม่มีอาหารถ่าหนุ่กินเองได้ไม่ได้อย่างเราใช่ไหมล่ะไอเราหนุ่มกินเองได้อ่ะ นี่คนบางคนในโลกนี้วัตถิยามีแบบนี้ไหมภาษารี่พูดก็รับรองมีพระเจ้าข้ามีที่คิดแบบนี้ก็มีอุบาสกก็นา่งฟังว่าเอ๊ะเราเป็นแบบดีหรือเปล่ายิ่งเงี้เนี่ยเหมือนเราเราเรนั่งคิดเหมือนกันนะนะเอ๊ะเราจะเราจะโดนสักดอกหรือเปล่าว่า <c oughs> เราจะได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาประเภทไหนเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าการไม่ให้จึงไม่สมควรแก่เราเลยนะ เขาก็ให้ทานให้ข้าวให้น้ำไปเต่มเมื่อตายนะเมให้ใจขาดเนี่ยไปปฏิทีไปเกิดใหม่ย่อมถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตโอนไปไกลนเนี่ยไปถึงชั้นดุสิตนั่นได้ได้อัตยาสัยที่โอโ้โหเป็นคนที่พอจะมีความรักจะมีความการโลโามากนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยนะ มีความการุณาในบุคคลที่เขาหุงกินเองไม่ได้มากเขาเป็นนักบวช ด, ด้วยโอ้ยจะต้องขวนขวายแล้วะอุดพาะมาสอบไล่กันนะนะว่างั้นะนะมาสอบไล่เขา อ, อาหารก็จะนั่นดีแล้วเราไปช่วยกันเกณฑ์คนใหญ่แต่เนี้ยเกณฑ์เกณฑเกณฑเกณฑ์เอาจริงเอาจังเลยนะให้ทานรักษาศีลเนี่ยไปแล้วทีนี้สิ้นกรรมพอพอไปอยู่ในชั้นอุศิดสิส้นกรรมไหมกรรมหมดกําลังได้ไหมสิ้นกรรมกรรมหมดกําลังลงนะ เหมือนเป็นมนุษย์น่ะสิ้นกรรมน่ะสิ้นฤทธิ์หมดฤทธิ์เลยสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้ต้องกลับมาเกิดในอาบยภูมิบางกลุ่มก็ไปลงเป็นสัตว์นรกบ้างบางกลุ่มก็เป็นสัตว์จระชานบางกลุ่มก็เป็นเป็ดเป็นเนอสุรกายบางกลุ่มกุศลให้ผลหน่อยก็มาเป็นมนุษย์ดิโอ้ไปไม่รอดวิ่งไม่สุดสาย <c oughs> เหนื่อยไหมเนี่ยที่ทํามาเนี่ยเหนื่อยมากเลยอะ่ะที่ผ่านมาทําอย่างนี้เยอะไม่ในสังสารวัต กัประเภท น, นี้แหละในพวกติดค้างกันทั้งหลายเนี่ยพวกตกค้างเขาเรียกพวกตกค้างรวมอามาได้ตกค้างอมมาจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วทําไม่ทําไม่ใช่ไม่ทำโอ๊ยอยู่บ้านไม่ทําอะไรมันแล้วทานก็ไม่ทาศีลภาวนาก็ไม่ทาอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่ทําแบบนี้แล้วจะทําแบบไหนยังไม่รู้ใช่ไหม ทีนี้ดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงกินเองไม่ได้สมณะหุงกินเองได้ไปต้นเราเนี้ยแล้วก็ทีนี้ไม่ได้คิดในละแต่ให้ทานเราจัะเป็นผู้จําแนกแจกทานเหมหือนลือศีในการก่อนเหมือนนักโคดในการก่อนเหมือ น, นักปฏิบัติในการก่อนมันมีนะในการก่อนมีพวกลือศีมีพวกนักโคดนะเขามีของอะไรเบเสร็จพวกกลุ่มบุคคลเหล่าเนี้ยเขาแบบประเพศที่เจริญ เขาไม่ยึดติดในกามนะประเภทที่นั่งกรรมาฐานประเภทไม่ได้มีข้อมูลเจเลยนี่แ บ, บนายาที่ถูกต้องเน่ยเยอะแยะนะพวกหนังสือเพจนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลเต็มไปหมดแหละที่กาวไว้ในชั้นของคำพี์พวกอัตกาฤาษีวามะกะฤาษีนี่นะวามะเทวะฤาษีเวสามิตาฤาษีอยมักขะฤาษีอังคีราาัสฤาษีเป็นต้นภารทวาชะฤาษีเนี่ยบุคคลเหล่าเนี้กัดสปะเอ่ยคู่ฤาษีบูชามหาญาณ บุคคลเหล่านี้เขาแจกทานอย่างมหาศาลตั้งโรงทานเลยนะตั้งโรงทานเบเสร็จปุ๊บเขาเบื่อกร ม, มาคุณมากแต่เขาเดินทางปิดเขาเดินปิดพอเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสละหมดเลยกลุ่มนี้สละเลยนะเพราะเขาเห็นอย่างนี้แล้วนี่ไงถูกต้องแล้วตั้งรงทานแจกทมอย่างเนี้บำเพ็ญชัดเลยแล้วใครเคยคิดแบบนี้ไหม เบื่อหน่ายมากเบื่อหน่ายกลับมาคุณนเนอะที่ก็เบื่อหน่ายยิงนะกลุ่มพวกฤาษีจำแนแกแจกทานก็เบื่อหน่ายนี่นะเบ็ดเสร็จเ่าเนี่ยนะพอตายไปนี่นะผลของทานกุศลสีกุศสันปาราสนย่ยยยยยยยอมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานารดีโอนี่ขึ้นสูงเลยนะแจกทานมากหรือเบือ่อให้ให้เพราะเขาไม่ยึดติดอะไรมากมายนิมมานารดีนี่เนะี่ย สิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่กลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับมาความเป็นอย่างนี้อีกเพราะข้อมูลยังไม่หมดยังไม่ถึงอีกประเภทหนึ่งดูก่อนสาลีบุตรบุคคลบางคนไม่ได้ให้ทานโดยคิดว่าจะจําแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีในเก่าก่อนนะีนะแต่ให้ทานด้วยมีจิตเลื่อมใสโหเริ่มจะชา้าเลยยังนงีแล้วก็ เกิดปีติโสมานัตปลื้มใจสมานัตคือเราให้ทานนี้จิตเราจะได้เลื่อมใสรักษาศีลจิตจะได้เลื่อมใสจเจริญภาวนาจิตจะได้เลื่อมใสจะได้เกิดความปลื้มใจจะได้เกิดสมานัตก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วจะได้ปลื้มใจไง เพราะจะได้รับความสุขจากการเจริญทานศีลภาวนาเพราะมันมีความสุขมันมีความเอิบอิม่มอะจริงต้องทำมันดีกว่าอยู่ทางโลกทางโลกมันทุกข์อยู่บ้านสามีก็บน่นลูกก็น่าเบื่อแต่มาวัดมาเจริญกรรมาฐานชื่นใจอุย้ยน่าเชื่อใจปีติมันเกิดหาเจอแล้วก็ค้นหาตัวเองเจอแล้วเจอยังเจอไม่เจ อ, อ เจอแล้วทีนี้ก็ให้ข้าวให้น้ำมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ให้นะรักษาศีลเจริญภาวนาเอาจริงเอาจั ง, จงปีติปาโมดหน้าตาผ่องใสใสไม่จะใสธรรมดานะใสมากเลยนะใสจริงๆใสไม่ใสใสที่จิตใจผ่องใสพอด้อารมณ์สงบนี่ชอบใจชื่นใจได้ความปลื้มใจเอิบอิ่ม ทีนี้พอให้ทานเอ่ยให้ข้าวนั้นนะ่ะก็ด้วยผลของทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเขาหมดอายุไขสิ้นอายุเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาปรนิมมิสวัสวัติสวรรค์ชั้นที่หกเย่งสูงสุดเลยทีนี้พอไปอยู่บนนู้นกมหมดกำลังได้ไหม สิ้นกรรมฤทธิ์หมดอำนาจได้ไหมสิ้นเล็ด์ยศหมดได้ไหมสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์ประชานบ้างเปรตบ้างอสุรก า, ายบ้างเป็นมนุษย์บา่บาใบบอดหนวกบ้างที่เป็นมนุษย์ดีๆบ้างเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเป็นนักการเมืองบ้างมเป็นผู้่นน้ำบ้างเลยว่าว่าไว้เนื่อพ้นไม่พ้นไม่พ้น ผ่องใสามากไหมกลับมาเกิดกลุ่มเนี้ยผิวพรรณดีงดงามมากถ้าเป็นผู้ชายก็ประกวดชายงามอ่ะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าบุญประเภทที่ยังเหลือๆอยู่บ้างด้วยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นหญิงงามเลยผิวก็งามอะไรก็งามผ่องใสทำบุญด้วยความผ่องใสนะตกแต่งทรัพย์ที่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะแปลกประหลาดถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกับผ่องใสได้เศษบุญย่างนี้เหลืออยู่นี่นะแต่แปลกถ้ไปเป็นสัตว์นรกไม่ผ่องใสไฟไหม้เลยดิแล้วแต่กรรมนู่นี้ นกบางตัวน่าดูไหมน่ารักไหมสมัยอามาเด็กๆมีเพลงก็บอกอยากเกิดเป็นนกอามาฟังเอามาฟังสตุ้งตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยเนะี่ยเออตั้งแต่จําความได้นะามาโอ้โ oh, หทําไมน่าเกลียดขนาดเนี้วคนชอบเพลงอยากเกิดเป็นนกอามาเห็นมันทรมานเนี่ยเออเอามานึกไงเลยนกมันมีตู้เย็นนะี่ยเอามานึกเด็กๆเด็กๆเลยนะ ไม่มีตู้เย็นเก็บอาหารต้องวิ่งหากินทุกวันวันไหนมันป่วยขึ้นมายุ่งนะมันนุกเรียนนะเออมันไม่มีบ้านที่ดีๆอยู่เลยอ่ะมันลำบากมากคือตอนฝนตกตอนอะไรต่างๆเนี่ยมาก็เห็นามาันมาเนื้อโอ้โหตายแต่ทําไมมันมีเพลงแบบประหลาดประหลาดเอามาก็นึกแต่ตอนจําความไอ้ว่านึกเนื้อามาเป็นคนคิดแตลกๆเพราะเดินเข้าไงแล้วอีกเรื่องหนึง่งเอามันนึกแปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะเออเขาบอกว่าไปเจอเพลงที่บอกว่าอะ ไอคิดจะคิดถึงเธอทุกลมหายใจเนี่ยไป็เขาอ่อนอมมาบอกเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดินหกล้มตายเลยเนี่ยอมมาเป็นเรื่องเนี้นะเออมาเป็นคนที่คิดมันจะคิดอีกมุมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอามาเขาพามาไปดูละครก็มีละครที่ไปแสดงในโรงภาพยนตร์ที่บ้านก็มีโรงภาพยนตร์ตอนเด็กๆก็ไป อามาก็ไปดูดูเขาแสดงละครไม่ใช่ละครเป็นเหมือนลิเกอ่ะนะเขาก็มาแสดงอมาก็จ้องดูอมาเป็นคนดูอะไรมาต้องดูว่ามันคืออะไรกันแน่ตั้งแต่เด็กๆกันดูตาแล้วก็คิดคิดใหญ่มันก็มีไอ้ตัวพระเอกเนี่ยมันเป็นคนจนเ่ยนะเป็นคนจนมากไอ้ไอ้นางเอกเนี่ยมันมันเป็นคนรวยเป็นคนมีทรัพย์เนี่ยนะแล้วไปไปมาเนี่ยไอ้นี่มันหลงรักไอ้คนมีหลงรักนางเอกที่มีทรัพย์เนี่ยไปเสร็จแล้วมันมันหลงรักเขาจะไปขอเขาก็ถูกไอ้ ทั้งนี้นเขาทบเขาเตียวคนจนพวกนั้นต้องไปหาเงินมาไปไปมาเขาก็ร้องไห้แล้วก็ร้องรําสร็จเสร็จเาก็ถือขันเดินลงมาข้างล่างเขามาขอเงินเอามาเป็นนึกเอ๊ะนึกตังแต่เด็กๆไงะอามาก็เดินก็ไปข้างหน้านะไปถามเขาถามว่า น, นี่มันเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องการแสดงเนี่ยเอามาถามเนี่ยนะเขาบอกแสดงเอ้ยนี่มาขอตังค์กันจริงๆนี่เอามาเนึกเอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเนี่ยมานึกนี้จริงนะเอ้ยอมาเนึกกั ตลาดแต่ว่เนี่ยแล้วแตลกออกมาพยายามจะนึกให้มันเป็นเรื่องจริงไงมันไม่เป็นสักทีนะเคยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเขามาแสดงก็บอกว่าไอ้โต๊ะที่เขานั่งเป็นวังเนี่ยเอามาก็มานั่งมันเป็นได้อย่างไงในตรงนี้เอามาคิดย่างจริงมันไม่ใช่นะไม่โกหกกันในชีวิตทําไมต้องชอบโกหกกันเนี่ยมาขี้เงี้ยเนึ่ยก็ใช่เราไม่รู้เขาไงตอนนั้นน่ะ เต้มาเป็นคนที่ว่าอี้มันต้องพูดเรื่องจริงๆกันถ้ามาพูดเรื่องโกหกกันคนมันจะหลงเนี่ยมันหลงนะ ย, ยอมยอมไปไปมองยอมยอมคิดว่าลิเกเขาเดินสวยไหมเดินแบบลิเกเดินสวยไหมสวยไหมสวยถ้ามีคนมาเดินแถวนี้เดินแบบนี้เราจะคิดไง แล้วคนไปเราไปมองวมองประหลาดไหมเราไปมองว่าสวยเนี่ยดูอ ม, มาก็มองอุ้ยมันเป็นทำไมเดินประหลาดเงี้ยเนี่ยไม่เดินเหมือนม น, นุษย์เดินนะไม่เดินไงเงีคิดเงีง้นี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าอ ม, มาจริงเริ่มรู้สึกตัวเองว่า <c oughs> อยู่อยู่กับสภาพสังคมเขาาำลำ บ, บ, บากอ ม, มาชอบที่จะรู้จักว่าไอ้จริ ง, รงๆเนี่ยมันคืออะไร ชอบที่จะรู้จริงๆเหมือนกันว่าไอ้ที่มันไม่ดีแล้วไปพูดว่าดีคนบางคนจนอายุแก่มากลูกหลานกับแม่ยังสวยแม่ยังสวยมาก็ไปโกหกแ ก, กทำไมล่ะบาทําไห้แกแกมึนเลยเนแกมึนไปโกหกแกจนแกเหลืองเลยแกที่ว่าแกสวยมีคนคนหนึ่งนะ แกตายไปเนี่ยมายเห็นนี่สลดใจเลยนะเนี่ยลูกหลานไปโกหกแกว่าสวยว่าดีเนี่ยแล้วน่ะข้าน่ะข้าแกทำอะไรผิดไม่เป็นเลยเดยนีย่โอ้โ ห, หน่าหนาจริงจริงจริงๆแล้เราน่าจะบอกความจริงเขาเนาะลูกเอ้ยขยันเรียนนะแต่เรียนจบไปแล้วก็มันก็ไม่สบายรอกลูกมันต้องทุกข์มันต้องลำบาก นี่เราไปหลอกเ้าลูกเอ้ยเรียนจบไปแล้วเขาจะได้สบายใช่ไหมละ่ะขยันเรียนนะลูกจะได้สบายจบมาแล้วหางานทำสิลูกจะได้สบายแต่งงานสิลูกจะได้สบายมีหลานสิลูกจะได้สบายแล้ว เ, เราไม่บอกความจริงเขาว่ามันเป็นทุกข์นะลูกมันลำบากนะลูกชีวิตเนี่ยมันต้องรู้อะไรเยอะนะ มันต้องวางใจเป็นนะลูกเนะืมันต้องฉลาดด้วยนะไม่โง่กับมันในยุ่งในะลูกเหนือไม่ไม่สอนอย่างงี้นะลําบากการหาทรัพย์แต่ละชิ้นเนี่ยยากมากตัวเป็นเปลี่ยวหัวเป็นนอดนะลูกใช่ไม่ใช่เห็น <laughs> คนเนะ่ยไม่เห็นปั่นกันนะตอนเช้าเนะี่ยวิ่งกันหัวยุ่งันะใช่ไม่ใช่ไปไม่เป็นลําบากดูก่อนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเป็นต้นนะเออบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานด้วยการคิดว่าจะจำแนกแจกทานนะเหมือนกับฤาษีอย่างเก่าวก่อนไม่ให้ทานด้วยการที่คิดว่าจะทําให้ปลื้มใจหรือจิตสมณะเป็นต้นนะให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นเนี่ยแต่ให้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วจะได้ไปจิตเลื่อมสายเกิดความปลื้มพิติแต่ให้ทาน แต่เนยไม่ได้ให้ทานด้วยการที่ผ่านมาทั้งหมดเน al, แต่ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตรักษาศีลเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตประดับจิตเจริญภาวนาเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตประดับจิตก็ให้ข้าวให้น้ำเปนต้นเีไ้ไมเจริญทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลแต่เป้าหมายเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิตให้ดอกไม้ให้ของหอมเรื่องให้ที่นอนให้ที่พักประที at, insulted, ปเครื Daddy ่องอุปโภคบริโภค รักษาศีลเจริญภาวนาหรือสมณพราหมณ์ดูก่อนสาบิบุตรเธอจะสําคัญความก้อนั้นเป็นฉไหนบุคคลในค น, นพึงให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหินป่า น, นี้วิโนบอกอย่างนั้นมีพระเจ้าข้าบอกดูก่อนสาบิบุตรการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นของบุคคลผู้มีความหวังในทานกลุ่มหนึ่งนะมีความหวังมีจิตผูกพัน เขาไม่ได้ให้ทานแบบนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยการสั่งสมคิดจะสั่งสมแล้วให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไม่ได้ให้ทานรักษาศีลด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานศีลภาวนาเป็นต้นไม่ได้ให้ทานตามประเพณีที่ปู่ย่าตายายนะที่เขาทำมาเป็นต้นไม่ได้คิดอย่างนั้นและก็ไม่ได้ให้ทานตามประเพณีดังกล่าวแลวก็ไม่ได้ให้ทานเพราะว่า ไปรักษาศีลไปเจริญภาวนาพ่อพระท่านหุงกินเองไม่ได้หรือสมณพราหมณ์หุงกินเองเราหุงกินเองได้ไม่ได้ให้อย่างนะไม่ได้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนการฤษีในเก่าก่อนนะและก็ไม่ได้ทานด้วยการที่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจเกิดสมณัตแต่ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตรักษาศีลเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเจริญภาวนาเพื่อปรุงแต่งจิตประดับจิต บ่งแต่จิตประดับจิตนะคันให้ทานรักษาศีลเช่นนี้แล้วเมื่อตายแล้วเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นผอมนี้เนี่ ย, ยอันนี้เขาประดับจิตถึงขนาดไหนถูกไหมสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาและไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเปรตอสุรากายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องมาเกิดเป็นคนพีการไม่ต้องมาทําการค่าไม่ต้องมาปวดหัวอีกแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ไปไหนหรู้ไหมยันพรหมโลกเลยทําไมปาริพรหมโลกได้เพราะบุคคลเหล่านี้ให้ทานรักษาศีลเดินภาวนาแล้วเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตเดินทานศีลภาวนาได้ด้วยเอาทานศีลภาวนามาเดินเป็นอุปจารสมาธิในส่วนจริงเป็นอั ป, ปนาสมาธิได้ด้วยนะ เขาได้ฌานสมาบัติเบียเศ็จเอาฌานสมาบัติเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณแทงตลอดสัจจะสี่บางกลุ่มก็ได้เป็นพระโสดาบันบางกลุ่มก็ได้เป็นพระสกาทาคาบางกลุ่มก็ได้เป็นพผ้านาคาโดยเฉพาะก็คือเป็นกลุ่มผ้านาคาที่ขับเน้นในสูตรนี้เนี่ยนะเป็นผ้านาคาเบียเศ็จแล้วเขาไปอยู่ในสุทาวาสพอไปอยู่ในสุทาวาสเขาจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกแต่เขาจะไปปรินิพพานในที่นึง เขาจะไปไปริบัติภานกิจนี่ไงนี่ไงเขาเดินเข้าสู่สารนคมชัดเขารู้ว่าถามว่าสารนคมเนี่ยการถึงสารนะเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรเนี่ยเป้าหมายการถึงสารนคมเพื่ออะไรเนี่ยคาว่าไปแปลว่าถึงเนี่ยเป็นกริยาที่น้อมก็ไปสภาพจิตใจที่น้อมก็ไปเนี่ยเขาน้อมก็ไปสแสวงหาเพื่ออะไร น้อมเข้าไปศึกษาไหมปฏิบัติไหมปฏิบัติขัดเกลาตันเองไหมปฏิบัติตามใครตามพุทธโอวาทไหมตามพุทธังสระนงังขฉามีที่เขาท่องไงทำมังสระนงังขฉามีสังขังสระนงังขฉามีถ้าไม่ใช่เป็นไปตามพระพุทธเจ้าประธรรมภริยาสงฆ์เขาจะทํำไหมพอไม่ทําก็ชัดเจนในตัวไหมชัดเจนแยกแยะได้ไหมแยกแยะผิดถูกชัดเลยที่เดินตามสรารณะชัด แต่เป้าหมายเพื่ออะไรเอาเนี่ยเท่าตั้งอธิยาายศานศีลภาวนาเป้าหมายเพื่อดับอะไ ร, รเพื่อดับวัาจุกเพื่อพระนิพพานโดยแท้เลยป้าไงอ๋อเนี่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังดีถามเรื่องนี้ฟงแต่งจิตประดับจิตบาลีมาจะคำว่าเออที่จริงนะหนึ่งให้ทานประเภทแรกรักษาศีลเจริญภาวนาประเภทแรกเขาเรียกาตันวิตตีตการทานัง วิทยาวิตรีตาการะสีรังแล้วก็วิตรีตากาลภาวนะภาวยังก็ เ, เป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยอะไรด้วยความอยากคือยากนะอยากได้ผลอยากได้ผลของการเดินทานศีลภาวนามีไม่มีมมน่ากลัวไหมกลุ่มเหล่านี้ที่มา ทั้งหมดอันนี้อยากอยากได้อยากได้อยากได้กล <c oughs> ุ่มที่สองวิธีในการรัทานนางเป็นต้นสีลังและเผาเนี่ยยำเกรงอันนี้กลุ่มนี้คือยำเกรงนะกลุ่มที่สองนี่คือ ย, ยำเกรงยำเกรงยำเกรงตรงนี้ถ้ า, านไต่เน็นไหมไอตัวตันหาเป็นตัวขับเคลื่อนยังได้ไปเป็นเทวดามันกันนะแต่พอสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่ตกไม่ตกไอ้กลุ่มนี้คือยำเกรงนั่นแหละที่ว่าตามยำเกรงอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเรามองตัวตัวที่บอกว่าให้ทานรักษาศีลนด้วยความด้วยความยำเกรงเนี่ยตรงที่บอกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยไม่ได้ผูกพันในทานเดี๋ยวเห็นว่าเป็นการดีก็เคยยำเกรงโอ้ยต้องทา อีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยอะไรนะในตามประเพณีตามประเพณีเขาเรียกว่าอะไรนะมาจากคำว่าหิลิฮิโรตับปะทานังหิโรตับปะศีลังหิโรตับปะภาวิยังให้ทารักษาศีลพอละอายแล้วก็กลัวกลัวอะไรดีละอายอะไรกลัวอะไรละอายแล้วก็กลัวกลัวอะไร ที่จริงมันมีอยู่ข้อที่บอกว่ากลัวว่ากลัวเออเราหงุดหงิดเองได้ใช่ไหมเกิดความกลัวเนาะเออเราปล่อยให้สงอวดอยากนี่มันอายเขาจะทำหนีเราครับ เ, เราเป็นชาวพุทธเนาะเออเนี่ยอยู่ใกล้วัดแท้ๆไปปล่อยพระอวดอยากไม่สมควร เออน้ำก็ท่วมอย่างเนี้ยเราไม่ไปดูแลหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูแลรีบบางคนมีเว็บไซต์ก็เข้าเว็บไซต์โอ้ยไปช่วยวัดนั่นหน่อยเอะเคยไหมกลัวว่พาพระจะโอดกลัวพระจะลำบากกลัว<ชะ> แ, <het> แต่ไม่ได้ขับเน้นว่าที่เราให้เพราะ ต้องการประดับจิตตกแต่งจิตเนี่ยทําให้เป็นจิตตารังกาลังจิตตาบริขาลังไม่ต้องการไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยทีนี้ประการต่อมาก็คือนิระวะเสทสถานังให้ทานโดยไม่มีให้ไ ม, ไ ม, ไม่ให้เหลือเศษโอ้ให้หมอดฉันเป็นคนไม่ยึดแล้วให้หมดให้หมดมีเท่าไร่ให้แล้วให้จริงนะคนเป็ดเนี่ ย, ยให้ไม่คิดอะไรเยอะหรอกให้ เป็นคนไม่หวงอ่ะก็ชอบให้ด้วยเคยเจอไหมให้ให้แบบไม่เหลือเศษไม่เหลือเลยเนะี่ยจะไปที่ติดกระเป๋าไปห้าร้อยนี่กลับมาเกลี้ยงกับกระเป๋าเลยฮะมันความแต่ข้างนอกแต่กิเลสไม่ถูกความไอความมอไม่ความแต่ข้างนอกไอรูปแบบเป็นความแต่สภาพกิเลสไม่ได้ความจริงอ่ะ แล้วบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจที่พูดยาคว่ำหม้อคว่ำอะไรอ่ะกิเลสถูกสลับไปด้วยไหมเออสลับไปด้วยติ่หม้อมันคว่ำแต่กิเลสมันไม่คว่าอ๋อทีนี้อีกข้อนึ่งก็คือว่าทักขินัย ญ, ญาานังให้ทานเพราะทักขินัยาบุคคลโอ้นี่ดีนะเนี่ยให้ทานว่าทักขินัย ญ, ญาบุคคลเนี่ โอ้ยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนะี่ยเราต้องไปให้ทานเราต้องไปให้ทานเนาะเออบางคนไปให้ทานกับพระเจ้ากับสาวกพระเจ้าเนะ่ให้ทานตั้งใจให้ทานนะแต่ไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ม, มาเพื่อประดับตกแต่งจิตเพื่อจะขัดเกลาอธัธยาศัยตัวเองเพื่อเป็นปัจจัยตัการให้ได้มาซึ่งพระนิพพานไม่ได้คิดถึงนี้เลยเนะียแต่โอ้โนี่บุญเยอะมากเพราะนี่เป็นหาได้ยากมาก ใช่ไหมล่ะนานๆจะได้เจอสักทีโอ้โหเนี่ยท่านมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วให้ให้เป็นไม่เป็นถามอริงชอบวิ่งหาเกจีไหมชอบไม่ชอบพอดังๆมาสักหลายที่ไปกันเต็มเลยเป็นไม่เป็นไม่แจ่มาพูดแล้วมาอีกเชา้าไม่มีใครมาหาเนี่ยอย่าไปหามาพูดพูดตามความในคับสอนเนี่ยคำพูดธรรมะมาต้องระวังใจตัวเองเนะ ไม่ได้ไม่ทงใจดือยมันไปกระทบคนอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องต้องต้องอธิยาศัยต้องชัดแสดงทันทำข้อห้ามกระทบตนและบุคคลอื่นเป็นบาปไหมเป็นบาปผู้แสดงบาปหรือผู้ฟังบาปถ้าผู้แสดงบาปก่อนแล้วผู้ฟังเห็นตามแล้วชอบใจตามนั้นโดยพากันบาปทั้งผู้แสดงและผู้ฟงังไปไหนดี โอ้ไม่ไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการฟังธรรมนี่ยการแสดงธรรมยิ่งยากกว่านะคนแสดงธรรมนี่ ย, ยากกว่าการฟังธรรมการฟังธรรมระวังใจตัวเองได้ดีกว่าไอ้คนฟังไอ้คนสแสดงธรรมต้องระวังใจพูดไปต้องคิดไปสติสัมปชัญญะต้องแข็งแรงนะถ้าไม่แข็งแรงกลับไปนอนทำกรรมฐานอยู่คนเดียวเดินกรรมฐานองเดียวสบายใจดีกว่าเยอะถ้าจิตใจไม่แข็งแรงเมือนั่งเก่าวพระธรรมมานั่งเอาโอ้เป็นบาป นีเ่เราแสดงธรรมเพื่ออะไรเนะี่ยเพื่อให้คนนับถือมากๆใช่ไหมใช่ไหมเพื่อมีชื่อเสียงเยอะๆใช่ไหมเพื่อให้ได้ราบส ก, กาละไม่ใช่เลยนะคิดเงินตาคิดอย่างนั้นนะฆ่าตัวเองทุกวันล้วกระแสจิตเยอะมันยิ่งใหญ่มากนะอัธยาสัยที่ไปคิดอย่างเนี้ยโหฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าตัวเองน่ากลัวนะเ Oh, ถ้ามาเป็นอย่า ง, งนั้นน่ยทุกรคนก็นั่งกรุณาแผ่กรุณาจิตโดวยว่โอ้น้าสงสารท่านจริงๆเนอนะเออท่านมาเอาอะไรมาเปลือกเอากับพี่เอาสิ่งที่ไม่มีสาระเนี่ยใช่ไหมล่ะมานั่งผิดหวังกับกรรมมาคุณอยู่นเนี่ยเลยแล้วไปคิดนี้ใช่ไหมล่ะถามว่ากรรมมาคุณมาให้ความสมหวังหรือผิดหวังให้ความผิดหวังยิ่งมีกรรมมากทุกมากไหมมากยิ่งคนเข้าวัดมากๆทุกมากสุขมากทุกมาก ก็คิดดูว่าหนึ่งขันห้าคือหนึ่งเตาเพลิงถ้าเข้าไปสี่พันคนต่อวันก็เอาเตาเพลิงไปสุงมไว้ในวัดเนะี่ยปัญหาทั้งนั้นนะ่นั่งใช่ไหมเล่าใช่ไหมใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่กิจกรรม มันไม่ใช่กิจกรรมที่ที่ที่คนนะประเด็นว่าเข้าใจข้อมูลกันหรื อ, อยังใช่ไหมคัดฉ า, ามีเนี่ยแปลว่าไปแปลว่าถึงแปลว่ารู้แนละเข้าใจในในพุทธโอวาทชัดนะ